พวงเกรนตั sure. ้งผัว yeah, ท no ีสัมพานธ์เกรนิพพตตั้งโมงกรรย์ผนิยังเยนนังสังวีต่างระคังมหาสัตังวะเนจังราเจิงรัะสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันเหตุตร พระมัมมันตันติอคาตั้งปังริตังตังพันนาไม ภูเทตยังจาคุมาเอขงราชาริสวาโนะปทเวปภาโสตังตังนัมมาสามีหาเรสวาังปัตตเวปภาสังตยาชกุตตาวิหะเรมุทิวสังแยมพระมนาเวทขัวสัพพธรรมแม่เตมณโมเตจะมังปาลยันตุนามาตุพูทานังนามาตุพวติ นิยานโมตตานังนโมวิมุตติยะอิมังโสปันริตตังกัตถวามุนรวจันทติเอสนะเปตยังจักขุมาเอกังราชาหังเรสวันโนปัตตเวปภาโสตังตังนามาสมิหังเสวันปัตเวปภาสังตายจักขุตาวิหเรมุระติ่งยพระมนาเวทะ คูสะพะธรรมแม่เตมณโมเตจมังบาลยันตุนามาตุพุทธานังณามาตุพุทธิยานณโมวิมุตตานังณโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังกาตวามวโรวาสมาปะปิ